ีนี้วิธีแก้ในบุคคลสองกลุ่มเนี่ยนะแก้อย่างไงถ้าเป็นกลุ่มราคะจริตเนี่ยนะกับกลุ่มทิฏฐิจริตจะจะใช้อะไรมาแก้เขาถ้ากล่าวถึงนัยยะนะตรงนี้ท่านเชื่อมนัยยะให้ดูหน่อยว่าตัณหาจริตบุคคลทั้งสองเหล่าใดย่อมออกจากวัตตะด้วยปฏิปทาทั้งหลายอันมีสมาธิเป็นประธานบุคคลนั้นพึงแนะนาด้วยนันทิยาวัตนยัยนันทิยาวัตนยเนี่ยนะก็คือ ในที่เอาธรรมะสองคืออวิชากับตันหาสมถาวิปัสนาเนี่ยมาหมุนรอบกันส่วนทิฏฐิจริบุคคลเนี่ยคือบุคคลประเภทออกจากวัตตะด้วยปฏิปทาทั้งหลายมีวิปัสนานำหน้าเนี่ยนะพวกนี้แนะนำด้วยสีหาวิกีลิตะในสีหาวิกีลิตะในนี้กล่าวถึงวิปราชสีกับสัญญาสีนเนี่ยนะก็แก้กัน แสัญญาสี่สัญญาสีก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นแหละละวิปาสสสีถ้าเป็นนันทิยาวัตตาก็คื อ, อวิชากับตันหาถ้าสีหาวิกิริตาก็เป็นสัญญาสี่กับวิปัสนาสีาาวิปะะัาสสีกับสัญญาสี่นะเดี๋ยวในหน้าสิบสองเนี่ยจะอาทิตย์หน้าจะก็จะมีตารางให้หนะก็มาขีดเป็นแต่พิมพ์คอมไม่เป็น เดี๋ยวจะขีดให้ดูนะใครไปพิมพ์คอมเป็นก็เป็นมาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าว่ากันหมาอืมนะถ้าเห็นเป็นตารางแล้วดูไม่ยากอะไรนี่ต่อไปอีกเลยนะว่าเทสน า, าระเนี่ยเกิดในบุคคลใดก็คือมาแบ่งว่าเทสน า, าระมันต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มใช่ไหมกลุ่มผู้แสดงกับผู้ที่ที่ถูกสอนผู้สอนกับผู้ที่ถูกสอน ถามว่าผู้สอนหรือผู้แสดงคือใครบอกว่าพระพุทธเจ้าก็ดีเพื่อนสะพรมมจารีผู้น่าเคารพคนใดคนหนึ่งก็ดีก็คือพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะย่อมแสดงธรรมะแก่บุคคลใดบุคคล น, นั้นฟังธรรมะนั้นแล้วได้ศรัทธาเทศนาหาระนี่ย่อมเกิดในบุคคล น, นั้นหมายถึงว่าสอนบุคคลใดแล้วจะได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะคนนั้นก็ต้องเป็นผู้มีศรัทธาใช่ไหมไปสอนให้คนไม่มีศรัทธาจะบรรลุได้อย่างไง พ้าพูดจบเขาไม่มีศรัทธาเลยนะโอ้ยอย่าว่าบรรลุเลยฟังไม่รู้จะฟังจบหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าในอังคุตรนิกายติกานิบาศนี่นะกระทำวัตถุสูตรพองตัดว่าผู้ใดเงี่ยโสตฟังผู้นั้นมีอุปนิสัยผู้ไม่เงี่ยโสตลงฟังผู้นั้นไม่มีอุปนิสัยอัน น, นเครื่องวัดง่ายๆนะถ้าเราจะแนะนําอะไรใครนะว่าเขาฟังเราอยู่หรือเปล่าอัน น, นถ้าเขาไม่ฟังนะโอ้โกรุณาเลิกพูดได้แล้วว่างั้น นะบอกตัวเองได้แล้วพอๆเธอพอเธอเขาไม่อยากฟังเราหลอกว่างอนนเพราะฉะนั้นก็ดูนะว่าเขามีอุปนิสัยหรือไม่ผู้แสดงทั้งหลายเขาก็สังเกตตรงนั้นว่าถ้าผู้ใดเงียบโสดลงฟังเรียกว่ามีอุปนิสยัยถ้าไม่เงียบโสดลงฟังก็เรียกว่าไม่มีอุปนิสัยล่ะอุปนิสัยปัจจัยนี่หมายถึงปัจจัยที่ฟังแล้วะเกื้อกูลต่อการที่จะบรรลุมรรคผลต่อไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นอย่างพระพุทธเจ้าจะสอนนะพระพุทธเจ้าจะสอนแก่ผู้มีอุปนิสัยเท่านั้นถ้าไม่มีอุปนิสัยไม่สอนอย่างน้อยที่สุดเขาต้องเป็นอุปนิสัยเพื่ออะไรเพื่อสารณคมก่อนก็ยังดีสูงขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกอะไรอ่า น, นะสอนเพื่อให้ถึงถึงการบวชหรือเข้าถึงอริยะคุณอย่างใดอย่างหนึ่งอันนะอันพระองค์ก็จะสอนให้แก่ผู้มีอุปนิสัยแต่ถ้าพูดไปแล้วนี่ก็ เรียกว่าผ่านไปเปล่าๆสาหรับพระพุทธเจ้าไม่มีหรือพระทหารในสมัยพุทธกาลก็ลักษณะนั้นซัส่วนมากเนี่ยนะก็แสดงให้ผู้แก่เงี่ยโสลดลงฟังคือผู้ที่มีศรัทธาทีนี้ผู้มีศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะก็อย่างที่เคยกล่าวว่าลักษณะของผู้มีศรัทธาคืออะไรคือปรารถนาที่จะเห็นผู้มีศีลปรารถนาเพื่อที่จะฟังธรรมเป็นต้นเนี่ยคือคุณลักษณะของผู้มีศรัทธา ทีนี้ผู้มีศรัทธาเนี่ยนะพระศาสดาหรือเพื่อนสะพรมจารีก็จะแสดงธรรมให้ฟังแสดงธรรมในที่นี้คือแสดงอรยยิยไตรทั้งก่อนบอกเลยนะแสดงธรรมแสดงอริยสัจเนี่ยนะสรุปว่าถ้าจะแสดงก็คือแสดงอริยสัจทีนี้ผู้ที่ฟังแล้วก็เกิดการพิจารณาอุตสาหะคร้ครวนไตรตรองในธรรมะที่ตนได้ฟังนั้นชื่อว่าสุตมยปัญญา คือฟังแล้วก็พิจารณาแยกแยะเข้าใจใครควรเป็นอย่างดีเนี่ยนะฟังนะฟังแล้วก็ทรงจําได้ใครควรแยกแยะมองออกเลยว่าภาษาริบบทเนี่ยแนะนําเลยใช่ไหมว่าถ้าคนฟังจริงๆอ่ะฟังแล้วรู้เป็นยังไงฟังรู้ว่าเออนี้ควรรู้ยิ่งนี้ควรกําหนดรู้นี้ควรละตรงนี้ควรเจริญตรงนี้ควรทําให้แจ้งอ่านะ นี้เป็นศีลนี้เป็นสมาธินี้เป็นปัญญาเป็นต้นอ่ะพวกที่มีสุตตามิยญาณฟังแล้วจะเข้าใจเลยว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะควรทํากิจยังไงแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นอย่างไรการพิจารณาการไข้ครวญการไตรตรองเพ่งด้วยใจโดยอาศัยการฟังธรรมคือฟังปริยัตินั้นชื่อว่าจินตามิยปัญญาคือฟังแล้วเอามาทบทวนมาใคร่ครวญมาตรึกมาค้นคว้ามาพิจารณาอย่างมากเลยนะ พวกนี้แหละเรียกว่ามีจินตมยปัญญาก็คือเอาสิ่งที่ฟังมานั่นแหละมามาคิดในยะตรงนี้จะต่างจากคำพีทั่วๆไปนะในวิพังในวิพังเนี่ยสุตามายปัญญานี่มีสำหรับพระสาวกเท่านั้นจินตมยปัญญามีเฉพาะพระประเจ ก, กับพระพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายเท่านั้นอันนี้ในในยะวิพังนะแต่ในยะนี้คลนละกันก็มีคลนละ มันคําว่าฟังในที่นี้คือฟังแล้วก็พิจารณาอุตสาหะไข่ครวรไตร่ตรองอันนี้เป็นสุตตามยะปัญญาแต่ผู้ที่พิจารณาไข่ครวรไตร่ตรองหรือตามเพ่งด้วยใจในสิ่งที่ตัวเองฟังมานั่นแหละอันนี้เป็นจินตามยะปัญญาคือคิดได้อริยมครคขยามใดย่อมเกิดในทัศนภูมิกล่าวคือโสดาปฏิมครคแล้วก็ทัศนภูมิเนี่ยโสดาปฏิมครคเท่านั้นนี ก็ดีในภาวนาภูมิคือเสขะอเสขะคือสกัตถาคามีอนาคามีและอรหัตตมักเนี่ยก็ดีบุคคลผู้เพียรพยายามกระทำไว้ในใจด้วยปัญญาสองอย่างเหล่านี้ปัญญานี้ชื่อว่าภาวนามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาตรงๆ ต, ต, ตรงนี้คืออะไรคือโสดาปฏิมักสกัตถาคามีมักอนาคามีมักอรหัตตมักอ่ะนะถ้าพูดมักผลก็เท่ากับแสดงแนละ้วเพราะอยู่ใกล้กันอั น, น, นของผู้ที่ปฏิบัติ จนได้อะนะจนได้คุณธรรมอันนี้แหละชื่อว่าภาวนามยปัญญามีถ้อยคำที่ควรเอามาคิดนิดหนึ่งว่าแกบุคคลผู้เพียรพยายามกระทำไว้ในใจน่นะกระทำไว้ในใจนะคือฟังมาเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมคิดมาเป็นอย่างดีไตรตรองคข่ครควรมาเป็นอย่างดีแล้วมาทำไว้ในใจทำไว้ในใจว่าอย่างไง อัตถกถาท่านบอกว่าทําไว้ในใจคือการประกอบหรือการประกอบทั่วในการมนาสิการถือเอานามและถือเอาโดยความเป็นรูปคือกำหนดนามรูปะนจริงๆอ่ะนามรูปเป็นคําย่อของอะไรของขันห้าขยายขันห้าไปอีกก็เป็นอายตนะขยายอายตนะเพิ่มไปอีกก็เป็นธาตุเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บอกว่ามนสิการโดยความเป็นนามรูปหรือขันอายตนะธาตุพร้อมทั้งปัจจัย อนนะถ้ากล่าวอย่างนี้เท่ากับปริญญาไหนยาตะปริญญาถ้ากล่าวนามรูปขันอิยตนาธาบที่เกิดพร้อมทั้งปัจจัยในการสามเป็นยาตะปริญญาเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นเริ่มเป็นตีรณะปริญญาซึ่งดีกาท่านบอกอธิบายลักษณะว่าภาวนามายะปัญญาเนี่ยพูดแบบในสูงสุดแต่หมายถึงยาน วิสุทธิเจดที่เกิดโดยลําดับเนี่ยนะวิสุทธิทั้งเจดประการที่เกิดโดยลําดับของผู้ที่ฟังมาแล้วเนี่ยนะเพราะว่าอริยมรรคเนี่ยนะยังไงก็ต้องเกิดโดยลําดับแห่งวิสุทธิเพราะอริยมรรคเป็นวิสุทธิข้อที่ที่เจดนะอริยมรรคยาเนี่เป็นยาณทัศนวิสุทธิเป็นวิสุทธิข้อที่เจดเพราะฉะนั้นข้อที่6คืออะไรปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิถอยลงมาอีกก็เป็นมคามคะยาณทัศนวิสุทธิ ถอยลงมากว่า น, นั้นก็เป็นตังขาวิตรณวิสุทธิมาข้อแรกก็เป็นที่ทีวิสุทธิเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังมาเป็นอย่างดีก็มาไถ่ควรวนหรือมาทําปริญญาในอุปาทานขันท่าเพราะนั้นเมื่อทําปริญญาเนี่ยนะถ้าที่ใดพูดว่าทําปริญญาที่นั่นก็เท่ากับกล่าวว่าปฐานะแล้วเท่ากับกล่าวว่าทําให้แจ้งแล้วเท่ากับเจริญแล้วอันนี้พูดในขั้นสูงสุดต้องเป็นอย่างนั้น ปัญญาที่เกิดจากปรโตโคลสะคือการฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะปัญญาที่เกิดจากการฟังเนี่ยชื่อว่าสุตามายะปัญญาก็โสตาวทาน е ปัญญาสุตามายยานังนั่นแหละเนี่ยนะคือคือค อ, อาศัยจากผู้ผู้หนึ่งแสดงมาใจผู้หนึ่งนะีสมัยนี้ก็รวมทั้งอ่านหนังสือด้วยนะี่ะโตโคลสะนี่รวมทั้งการอ่านหนังสือด้วยก็เรียกว่าสุตมยะปัญญาทั้งนั้นเลย ปัญญาที่เกิดจากการทาไว้ในใจโดยอุบายอันเยบคายซึ่งเกิดภายในตนนี้ชื่อว่าจินตามยะปัญญาคือสามารถฟังแล้วก็เอามาคิดเองอ่ะนะคิดเองอ่ะคิดเองได้แต่คิดเองได้ไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็คิดได้โดยที่ไม่ได้คิดเรื่องไหนก็ไม่รู้นะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าฟังมาแล้วอ่ะพอฟังแล้วก็ทรงจำไว้ได้แล้วมาคิดมาห้ค ร, ครวนมาพิจารณานี้แหละเรียกว่าจินตามยะปัญญา ปัญญาที่เกิดจากปะโตโคสะและเกิดจากโยนิโสมนสิกาเนี่ยนะการทําไว้ในใจโดยอุบายอันเยบคายเรียกว่าโยนิโสมนัสิการซึ่งเกิดภายในตนชื่อว่าภาวนามยะปัญญาสูตามยะปัญญานี่ฟังอย่างเดียวอะนะเน้นเน้เน้นฟังอย่างเดียวจินตามยะปัญญาเน้นคิดอย่างเดียวภาวนามยปัญญาได้ทั้งสองอย่างเลยจึงจะเป็นภาวนามยปัญญา คือสูตรนี้เนี่ยนะสอนในแสดงให้สาวกฟังเนี่ยนะว่าลักษณะของสาวกสุตะเป็นยังไงจินตะเป็นยังไงภาวนาเป็นยังไงบุคคลที่มีปัญญาสองอย่างคือสุตะมยะปัญญาและจินตะมยะปัญญาชื่อว่าอุคติตันยูเนี่ยคือพอฟังสูตรย่อๆนะพวกอุคติตันยูใช่ไหมพอฟังโดยที่ยกอุเทศขึ้นมาแล้วท่านคิดเองได้เลยอะ ท่านคิดเองได้ก็บรลุได้ฟังแบบย่อนะฟังได้คิดได้ใคร่ควรวได้ปฏิบัติมนาสิการก็บรลุตามนั้นเลยอันนี้เป็นกลุ่มอุคติตันยูส่วนพวกที่มีสุตตามยปัญญาแต่ไม่มีจินตามยปัญญานี่ชื่อว่าวิปัญจิตันยูนะฟังหัวข้อแต่ไปคิดต่อเองไม่ได้ต้องอธิบายเพิ่มอ่ะต้องอธิบายเพิ่มเป็นอย่างมากจึงจะบรรลุพวกนี้เป็นวิปัญจิตันยู ฟังแล้วคิดเองไม่ได้ฟังได้แต่คิดไม่ได้ต้องขยายให้ต้องอธิบายให้นะพวกนี้จึงจะเป็นวิปัญจิตันยูส่วนพวกไม่มีทั้งสองอย่างเนี่ยคือไม่มีทั้งสุตตาไม่มีทั้งจินตะเรียกว่าในยะเนี่ยนะทีนี้พวกในยะเนี่ยต้องยังไงบ้างอะ่ะก็ต้องผูต้องยัดเยียดต้องอัดเข้าไปนะอัดฉีดกั น, น่าดูเลยนะกว่าจะได้เนะี่ย นนเนี่ยนืย้ อ, อีกครั้งหนึ่งว่าพวกที่ประกอบไปด้วยสุตตะกจินตะเนี่ยนะคือฟังหัวข้อบอกว่าในอัตถกาถาท่านบอกว่าอาสยะกับประโยค้าเข้าดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพียงยกหัวข้อขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะฟังแล้วก็คิดเองได้เลยคือเช่นพระสารีบุตรเนี่ยนะปกติท่านเป็นคนศีลดีอยู่แล้วเป็นคนอาสยะดีอยู่แล้ว ถามว่าศีลของภาษาราบุตรดียังไงภาษาฤาบุตรเนี่ยนะตอนที่เป็นปริพาชกเนี่ยเป็นคนดีมากในหมู่ของคนทั่วทั่วไปเนี่ยนะไม่มีความชั่วทางกายวาจาอยู่แล้วเป็นคนที่มีฮีเรโอตปะอย่างแรงกล้าอันนี้เป็นประโยค่าเขาดีเขาสองภาษาราบุตรมีอาสัยะดีคือต้องการออกจากวัตะอย่างเดียวเที่ยวหาคนบอกว่าวิธีไหนที่จะออกจากวัะเขาเที่ยวติดตามหาอาจารย์ว่า ใครน่าจะบอกวิธีออกจากวาตะได้อันนี้เป็นอาศัยะที่ดีของเขาเพราะฉะนั้นพอไปฟังพระสัชชีบอกว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดทำในที่นั้นหมายถึงชีวิตของเขาอ่ะทุกขศักดิ์ที่เป็นไปอยู่ในชีวิตทั้งหมดเนี่ยมีมีเหตุเป็นแดนเกิดเหตุเนี่ยตัวไหนอะก็วิชาตันหากรรมเนี่ยเป็นเหตุให้มีมีทุกขอันนี้ขึ้นพระพุทธเจ้าพุกล่าวถึงเหตุ ข, ของทำนั้นและความดับเหตุแห่งทำนั้น นะพระมหาสมณะมีปกติตรักอย่างนี้เพราะท่านฟังปั๊บเนี่ยโอ๋วิธีแก้มันต้องละที่ที่เหตุท่านคิดเองได้นะท่านก็รู้ว่าธรรมเหล่าใดคือปรินเยยยรทำท่านก็ทําปริญเยยยะปหาตปธรรมเนี่ยเหตุอันนั้นนะคือปหาตปธรรมที่จะต้องละเหตุอันนั้นอันนะแล้วก็สัจชิกาตปธรรมต้องทําให้แจ้งโดยการอ บ, บรมข้อปฏิบัติที่ไปกําหนดรู้ไปละไปทําให้แจ้งอันนั้นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านฟัง คำอันนั้นจบเนี่ยท่านคิดเองได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพร้อมนยยพันในเนี่ยนะคาว่านยยพันในเนี่ยอะไรนยะที่จะให้อริยมรรคเกิดท่านรู้วิธีเป็นพันในไปขยายได้ให้คนบรรลุเป็นพันในเนี่ยนะก็ฟังง่ายๆดูอะไรเรื่องง่ายๆของเราเนี่ยจำเป็นจากขู่เป็นของศูนย์ศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนพระษาดิบุตรไปขยายเป็นยี่สิบในศูนย์อย่างเดียวเนี่ยนะ ของเราแค่ว่าไม่ต้องขยายเองเราค่อว่าจําที่ท่านขยายให้ก็ยังจะจำไม่ค่อยวาดค่อยไว้เลยนะก็คือบอกถึงว่าห่างกันมากงนั้นภาษาดิบุตรเนี่ยขอให้มีสุตตะอย่างเดียวเถอะขอให้ใครบอกเถอะท่านก็พูดด้วยนะบอกพยันชนะมากจะมีประโยชน์อะไรกล่าวแต่ใจความก็พอให้สรุปให้รู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรบอกว่าทุกข์ศัตริย์เกิดจากสมุทัยนะถ้าดับสมุทัยนั่นแหละเป็นนิโรธนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แหละนี่คือศาสนานี้ ฟังจบก็รู้เลยนะว่าทุกปริญญาสมุทัยคือทหารนะไอการทําที่สุดแห่งทุกข์คือการดับสมุทยัยอันนั้นต้องทําให้แจ้งนะท่านก็บําเพญ็ญตามนั้นก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยอันนี้คือผู้มีปัญญามากนะอุคติตันยูเป็นอย่างนี้พระโมคคัลลานะก็ในาย่างเดียวกันส่วนวิปปัญจิตันยูนี่ไม่ได้ต้องไปขยายอีกใช่ไหม อ้าวถ้าเหล่าใดมีเหตุเป็นเดนเกิดทมเหล่าใดนะทำที่ว่าคือขันห้าเหตุคืออะไรอวิชาตันหากรรมแล้วทำเหล่าใดเนี่ยนะคือขันห้ามันต้องทำปริญญายัางไง น, นะก็มาแนะนำอธิบายกันยืดยาวเลยก็บรรลุได้ น, นะพวกนี้เป็นวิปัญจิตันยู่ น, นะก็ใช้เวลาเทศหน่อยส่วนฟังก็ยังจำไม่ค่อยได้คิดตามก็ไม่เป็น คือผู้ฟังแล้วจําอะไรไม่ได้ก็พอกับไม่ฟังใช่ไหมต่างกันตรงไหนฟังแล้วจําไม่ได้กับไม่ได้ฟังเนี่ยนะก็คือถ้าขณะฟังก็ดีกว่าคนที่ไม่ได้ฟังแต่หลังจากนั้นแล้วก็ดูจะพอกันเหมือนกันเถอะฟังก็เรียกว่าไม่มีซะเถอะแล้วไปคิดถ้าจําไม่ได้มันคิดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้ขาดทั้งสองประการ ก็เลยเรียกว่านายาบุคคลแต่ว่าพอบรรลุได้แต่ว่าใช้เวลาหน่อย อ, ะนะอย่างพระราหุนทักกี่ปีดีสิบสามปีพระรัฐบาลเนี่ยนะไม่นานนักก็บรรลุเป็นพระอรหรันต์สิบสองปีนะไม่นานนั่นนะแล้วก็โดยทั่วๆไปนะในคำพีเขาต้องยกเอาคนบรรลุง่ายๆมาหน่อยนะยกคนมีบุญมาเป็นตัวอย่างอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ว่าในคำพีชั้นล่างๆเนี่ยจะยกคนที่มีความเพียรพยายามมากเป็นตัวอย่าง ให้ดูเยอะๆเนี่ยนะเป็นสมัยพุทธกาลโดยมากก็จะเอาแบบทนหัวกะทิกะทิทั้งหลายแหละเนี่ยแต่ถ้าเป็นยุคหลังๆมาเนี่ยเห็นไหในอัตกถาสักกะปัญหาสูตรพระหมหาศีวะใช่มท่านไม่ใช้อิริยาบถนอนอยู่สามสิบปีเนไะปีที่สามสิบเนี่ยแต่ท่านจะคิดนะว่าออกพรรษานี้ต้องบรรลุคิดเลย แต่ที่แรกนั้นท่านมีมานะมากว่้ไปเนี่ยกลับมาทันเข้าพรรษาอยู่แล้วยังไงไปไม่กี่วันก็บรรลุเป็นผ้าละหันแล้วเป็นนะค่อยไม่ต้องบอกลาลูกศิษย์หรอกเไปปฏิบัติเนี่ยไม่กี่วันก็บรรลุแล้วเข้าพรรษาไม่บรรลุไม่บรรลุทําไงอ่ะออกพรรษาต้องบรรลุให้ได้ก็ไม่บรรลุอีกนะนะเริ่มในครับนี้เอสงสัยเราใช้อิรยาบทเปลืองไปใช้ตั้งสี่อิรยาบทลดไปหนึ่งนะนะไม่นอนแล้ว ก็เลยโดนยืนนั่งเดินยืนนั่งต้องบรรลุปีนี้ต้องบรรลุให้ได้ออกพรรษานี้ต้องบรรลุออกพรรษานี้ต้องบรรลุสาสิปีผ่านไปร้องไห้เลยนั่งร้องให้ทางนี้อนะเทวดาก็ไปร้องให้ฝั่งโนนบังนะเขาบอกอ้าวทาไมมาร้องให้ล่ะก็บอกก็ร้องไห้สิเผื่อจะได้สักมรรคสองมรรคนะท่านก็เลยบอกดูสิเทวดาเขายังถากถางเยอะแยะท่านเลยเพราะงกันท่านก็อาศัยเหตุนั้นแหละสังเวชใจเนี่ยนะบรรลุเป็นพระอรหันต์ แต่ท่านทรงพระไตรปิฎกแล้วนะไอ้ที่สามสิบปีนี่ไม่ใช่ทําแบบสเปรศป่าไม่มีความรู้เลยนะของเราอาจจะสาสามสิบปีคูณสามคูณสี่ก็ยังเท่าเดิมนั่นแหลนะแต่ว่าถ้าไม่มีความรู้นะแต่นั่นหมายถึงท่าน ท, านทรงพระไตรปิฎกแล้วจึงไปทําอย่างนั้นแต่ของเราก็แบกพระไตรปิฎกไปด้วยใช่ไหมอ้าวเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะไปยากอะไรนะสมัยก่อนเขาไม่มีพระไตรปิฎกเขาก็เลยต้องไปตัวบรุรีรยเนี่ยไปเปล่าของเราก็จะไปที่ไหนเราก็เอาพระไตรปิฎกไปด้วย คิดอะไรไม่ออกก็เปิดอ่านเอาบุการก์นเถามว่าเอ๊ะถ้าติกาึกธรรมะนี่ถ้าจําไม่ได้ทํำยังไงก็จะไปะยากอะไรเราก็จดหัวข้อไว้ตรงไหนเราจําไม่ได้เราก็ลืมตาดูสักหน่อยแล้วก็หลับตาต่อไปนะถ้าจะหลับถ้าไม่หลับก็คิดแบบดูด้วยก็ได้้ง่ายมากตรงนั้นขอให้มีศรัทธาที่จะคิดตามเพิม่มมายา ก, ออกจะคิดสูตรไหนก็ได้เพราะเราอ่านหนังสือออกไปแล้วก็เอาหนังสือหน้าไหนกลางต่อหน้าแล้วก็ฝึกคิดดูนะเป็นยังไงนะนะแล้วก็เข้าใจขึ้นด้วย แต่พ่อเปิดอย่างนั้นไปบ่อยๆเข้านะเดี๋ยวผมจําได้บ่อยเหมือนกันเนละอะไรสู้บ่อยเขาไม่ได้สักอย่างหรอกพัะผู้ที่เป็นนัยยะบุคคลเนี่ยพอบรรลุได้ถามว่าบรรลุยังไงก็บอกบางพวกเนี่ยปฏิบัติในปฐมวัยก็สามารถบรรลุในปฐมวัยได้หรือไปบรรลุในมัชชิมวัยหรือไปบรรลุในปัชิมวัยหรือไปบรรลุใกล้ตายเนี่ยนะนะกลุ่มนี้เป็นนัยยะบุคคลทั้งหมด อย่างเช่นแม้กระทั่งพระฉันนะพระโคธิกะพระที่เชือดคอทั้งหลายแหล่นี่นะที่ไปบรรลุแหมเกือบตายแล้วจึงได้บรรลุเนะี่ยกลุ่มนี้จะเป็นในยะบุคคลทั้งนั้นเลยไหมส่วนผู้ที่ว่าชาตินั้นยังไงก็มาได้บรรลุพวกนี้เป็นปะทะประมะนะทีนี้ของเราแล้วเป็นพวกไหนอย่าบอกว่าเราเป็นปะทะประมะนะถ้าเป็นถ้าบอกว่าเป็นมันจะเป็นจริงๆอันนถามว่าทําไม ก็มันไม่อยากบรรลุอ่ะเพราะคิดว่าตัวเองเป็นก็เลยไม่คิดจะบรรลุอะไรสักอย่างไงไหมก็อยู่เลยเฉยะนะก็ไม่คิดจะบรรลุอยู่แล้วอ่ะมันจะบรรลุได้ยังไงอย่างพวกปะทะ ป, ประมะในคมภีท่านบอกท่านคิดจะบรรลุแต่มันบรรลุไม่ได้เรียกว่าปะทะประมะแต่ไม่คิดจะบรรลุเนี่ยอุ้ยนี้ก็หนักกว่าปะทะประมะในที่ว่ายนายี่เออย่างพระพาหียาใน αι, ชาติที่แล้วท่านเป็นปะทะประมะนะชาติก่อนหน้านั้นเนีลย ถ้าอานน์เนี่ยชาติก่อนหน้านั้นเป็นต้นพวกนั้นปะทปปะปารมะทั้งหมดแต่ในชาติพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะแต่พอในชาติพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เป็นประเภทบางท่านก็อุคติตันยูบ้างบางท่านก็วิปัญจีตันยูบ้างบางท่านก็นัยยะบ้างของเราถ้าปะทปปะปารมะในพุทธเจ้าองค์นี้นะไม่ต้องห่วงกับพุทธเจ้อนนาองค์เป่าไปเนี่ยได้ดีแน่แต่ว่าอย่าทําอะไรที่เป็นแผลติดตัวไปกันแล้วกันอ <c ười> ันนั้นก็เอาเอาตรงนั้นเอาไว้ก่อนนะบุญทํามากไม่ได้ก็ลดลดบาปไว้ก่อนก็ยังดี พอเข้าใจนะว่าพวกนัยยะบุคคลเนี่ยไม่มีทั้งสุตตะแล้วก็ไม่มีทั้งจินตะเนี่ยนะแต่ในที่สุดก็ทำได้ในที่สุดก็มีทั้งสุตตะและจินตะพวกนี้แหละเป็นนัยยะบุคคลเพราะไรเพราะว่าเน้นว่าผู้ที่บริบูรณ์ด้วยสุตตะกับจินตะเหล่านั้นเนี่ยเป็นอะไรคือไปทำตามนั้นแล้วบรรลุได้อันนั้นเป็นภาวนามย์ปัญญาใช่ไหม เราคำว่าภาวนามยปัญญาคืออะไรคือปัญญาที่เกิดจากปะโตโคสะและโยนิโสมนัสิการที่เกิดทายในตนคือปฏิบัติแล้วบรรลุตามได้นั่นแหละเรียกว่าภาวนามยะปัญญาหเวลาพอดีเลยก็คงได้แต่เท่านี้ก่อนนะสำหรับอาทิตย์นี้นะเชิญพาา